ข้อคุณทำความเข้าใจและอธิบายเพิ่มเติมข้อที่สองสิ่งที่ปิดบังไตรลักษ์ทั้งที่ความเป็นอนิจจงทุกและอนัตตานี้เป็นลักษณะส า, ามัญของสิ่งทั้งหลายเป็นความจริงที่แสดงตัวของมันเองอยู่ตามธรรมดาตลอดทุกเวลาแต่คนทั่วไปก็มองไม่เห็นทั้งนี้เพราะเป็นเหมือนมีสิ่งปิดบัง คอยซ่อนคลุมไว้ทำไมมณสิการคือไม่ใส่ใจพิจารณาอย่างถูกต้องก็มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นเหมือนเครื่องปิดบังซ่อนคลุมเหล่านี้คือหนึ่งสันตติบังอนิจจาลนะักษณะ 2. อิริยบทบังทุกขาลนะักษณะ 3. คขณะ บางอนัตตลักษณะข้อที่หนึ่งท่านกล่าวว่าเพราะมีได้มณสิการความเกิดและความดับหรือความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปก็ถูกสันตติคือความสืบต่อหรือความเป็นไปอย่างต่อเนื่องปิดบังไว้อันนี้จะลักษณะจึงไม่ปรากฏสิ่งทั้งหลายที่เรารู้เราเห็นแล้ว ล้วนแต่มีความเกิดขึ้นและความแตกสลายอยู่ภายในตลอดเวลาแต่ความเกิดดับนั้นเป็นไปอย่างหนุนเนื่องติดต่อกันรวดเร็วมากคือเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยความเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วยิ่งนั้นทำให้เรามองเห็นเป็นว่าสิ่งนั้นคงที่ทาวอนเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงมันอย่างตัวเราเองหรือคนใกล้ชิดอยู่ด้วยกัน มองเห็นเสมือนว่าเป็นอย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานสังเกตดูหรือไม่เห็นกันนานนานเมื่อพบกันอีกจึงรู้ว่าได้มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากเดิมแต่ตามความเป็นจริงความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทีละน้อยและต่อเนื่องจนไม่เห็นช่องว่างตัวอย่างเปรียบเทียบพอใหเห็นง่ายขึ้น เช่นใบพัด ท, ที่กำลังหมุนอยู่อย่างเร็วยิ่งมองเห็นเป็นแผ่นกลมแผ่นเดียวนิ่งเมื่อทำให้หมุนช้าลงก็เห็นเป็นใบพัดกำลังเคลื่อนไหวแยกเป็นใบใบเมื่อจับหยุดมองดูก็เห็นชัดว่าเป็นใบพัดตังหากันสองใบสามใบหรือสี่ใบหรือเหมือนเอาคนมือจับก้านทูกที่จุดไฟติดอยู่แล้วแกว่งหมุนยังรวดเร็วเป็นรูปวงกลม มองดูเหมือนเป็นไฟรูปวงกลมแต่ความจริงเป็นเพียงทูป ก, ก้านเดียวที่ทำให้เกิดรูปต่อเนื่องติดเป็นพืชไปหรือเหมือนหลอดไฟฟ้าที่ติดไฟอยู่สว่างจ้ามองเห็นเป็นดวงไฟที่สว่างคงที่แต่ความจริงเป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดดับไหลเนื่องผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือเหมือนมวล น, น้าในแม่น้า ที่มองดูเป็นผืนหนึ่งผืนเดียวแต่ความจริงเป็นกระแสน้ำที่ไหลผ่านไปผ่านไปเกิดจากน้ำหยดน้อยๆมากมายมารวมกันและไหลเนื่องสิ่งทั้งหลายเช่นตัวอย่างเหล่านี้เมื่อใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่ถูกต้องมากําหนดแยกมนาสิการเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปจึงจะประจักษ์ความไม่เที่ยงแท้ไม่คงที่เป็นอนิจจัง สิ่งที่ปิดบงังไทรลักษ์ข้อที่สองท่านกล่าวว่าเรามีไดมนัสิการความบีบคั้นกดดันที่มีอยู่ตลอดเวลาก็ถูกอิริยาบถคือความยักย้ายเคลื่อนไหวปิดบังไว้ทุกขลักษณะจึงไม่ปรากฏภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้หรือภาวะที่คงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้ หรือภาวะที่ไม่อาจคงอยู่ในสภาพเดิมได้ด้วยมีแรงบีบคั้นกดดันขัดแยง้งเราอยู่ภายในส่วนประกอบต่างๆนั้นจะถึงระดับที่ปรากฏแก่สายตาหรือความรู้สึกของมนุษย์มักจะต้องกินเวลาระยะหนึ่งแต่ในระยะนั้นถ้ามีการคืบเคลื่อนยัก ย, ย้ายหรือทำให้แปรรูปเป็นอย่างอื่นไปซะก่อนก็ดีสิ่งที่ถูกสังเกต เคลื่อนย้ายผ้นไปจากผู้สังเกตไปเสียก่อนหรือผู้สังเกตแยกรากจากสิ่งที่ถูกสังเกตไปเสียก่อนก็ดีภาวะที่บีบคั้นกดดันขัดแย้งนั้นก็ไม่ทันปรากฏให้เห็นปรากฏการ์ส่วนใหญ่มักเป็นไปเช่นนี้ทุกลักษณะจึงไม่ปรากฏตัวอย่างง่ายๆก็คือในร่างกายของมนุษย์นี่แหละ ไม่ต้องรอให้ถึงขั้นชีวิตแตกดับดอกแม้ในชีวิตประจำวันนี้เองความบีบคั้นกดดันขัดแย้งก็มีอยู่ตลอดเวลาทั่วองค์าพยพจนทำให้มนุษย์ไม่อาจอยู่นิ่งเฉยในท่าเดียวได้ถ้าเราอยู่หรือต้องอยู่ในท่าเดียวนานๆมากเช่นยืนอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวเดินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวความบีบคั้นกดดันตามสภาวะจะค่อยๆเพิ่มมาึ้นมาึ้น จนถึงระดับที่เกิดเป็นความรู้สึกบีบคั้นกดดันที่คนทั่วไปเรียกว่าเป็นทุกข์เจ่นเจ็บปวดเมื่อยจนในที่สุดก็จะทนไม่ไหวและต้องยักย้ายเปลี่ยนไปสู่ท่าอื่นที่เรียกว่าอิริยาบถอื่นเมื่อความบีบคั้นกดดันอันเป็นทุกข์ตามสภาวะนั้นสิ้นสุดลงความรู้สึกบีบคั้นกดดันที่เรียกว่าความรู้สึกทุกข์ คือทุกขเวทนาก็หายไปด้วยในตอนที่ความรู้สึกทุกหายไปนี้มักจะมีความรู้สึกสบายที่เรียกว่าความสุขเกิดขึ้นมาแทนด้วยแต่อันนี้เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นว่าโดยสภาวะแล้วก็มีแต่ความทุกข์หมดไปอย่างเดียวเข้าสู่ภาวะปราศจากทุกข์ในความเป็นอยู่ประจำวันนั้น เมื่อเราอยู่ในท่าหนึ่งหรืออิริยาบถหนึ่งนานๆพอจะรู้สึกปวดเมื่อยเป็นทุกข์เราก็ชิงเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปสู่ท่าอื่นหรืออิริยาบถอื่นเสียหรือเรามักจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอจึงหนีรอดจากความรู้สึกทุกข์ไปได้เมื่อไม่รู้สึกทุกข์ก็เลยพลอยมองข้ามไม่เห็นความทุกข์ที่เป็นความจริงตามสภาวะไปเสียด้วย ท่านจึงว่าอิริยาบถบางทุกขลนะักษณะสิ่งที่ปิดบางไตรลักษ์ข้อที่สามท่านกล่าวว่าเรามีได้มนาสิการความแยกย่อยออกเป็นธาตุต่างๆก็ถูกคณะคือความเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นมวล หรือเป็นหน่วยรวมปิดบังไว้อนาตะละนะักษณะจึงไม่ปรากฏสิ่งทั้งหลายที่เรียกชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้ล้วนเกิดจากเอาส่วนประกอบทั้งหลายมารวบรวมปรุงแต่งขึ้นเมื่อแยกย่อยส่วนประกอบเหล่านั้นออกไปแล้วสิ่งที่เป็นหน่วยรวมซึ่งเรียกชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่มีโดยทั่วไปมนุษย์มองไม่เห็นความจริงนี้ เพราะถูกคณะสัญญาคือความจำหมายหรือความสำคัญหมายเป็นหน่วยรวมคอยปิดบังไว้เข้ากับคำกล่าวอย่างชาวบ้านว่าเห็นเสื้อแต่ไม่เห็นผ้าเห็นแต่ตุ๊กตามองไม่เห็นเนื้ออย่างคือคนที่ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาบางทีก็ถูกภาพตัวตนของเสื้อปิดบังตาหลอกไว้ ไม่ได้มองเห็นเนื้อผ้าที่ปรุงแต่งขึ้นเป็นรูปเสื้อนั้นซึ่งว่าที่จริงผ้านั้นเองก็ไม่มีมีแต่เส้นด้ายมากมายที่มาเรียงกันเข้าตามระเบียบถ้าแยกได้ทั้งหมดออกจากกันผ้านั้นเองก็ไม่มีหรือเด็กที่มองเห็นแต่รูปตุ๊กตาเพราะถูกภาพตัวตนของตุ๊กตาปิดบังหลอกตาไว้ ไม่ได้มองถึงเนื้ อ, อยางซึ่งเป็นสาระที่แท้จริงของตัวตุ๊กตานั้นเมื่อจับเอาแต่ตัวจริงก็มีแต่เนื้ อ, อยางหามีตุ๊กตาไม่แม้เนื้ อ, อยางนั้นเองก็เกิดจากส่วนผสมต่างๆมาปรุงแต่งขึ้นต่อๆกันมาคณะสัญญายอมบางอนัตตลักษณะไว้ในทำนองแห่งตัวอย่างง่ายๆที่ได้ยกมากล่าวไว้นี้ เมื่อใช้อุปกรณ์หรือวิธีการที่ถูกต้องมาวิเคราะห์มนาสิการเห็นความแยกย่อยออกเป็นส่วนประกอบต่างๆจึงจะประจักษ์ในความไม่ใช่ตัวตนมองเห็นว่าเป็นอนัตตา